พุทวธสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะมาพร้อมๆกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าว FM 106ร้อยหกแห่งนี้คะ่ะเดือนนี้ก็ล่วงเข้ามาธันวาคมเป็นเดือนที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยหลายคนเตรียมตัวแล้วก็ตั้งตาเลยนะคะที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้ แสดงออกซึ่งความหมายสำคัญที่ดิฉันว่านั้นก็คือความรักในในหลวงของเราหลายคนนะคะเตรียมจะแต่งตัวให้เป็นสีวันพระราชสมภพคือสีเหลืองก่อนหน้านี้นะคะบางคนบอกจะทำทั้งเดือนเลยบางคนก็บอกว่ า, าจะทำประกอบกันทั้งทางด้านการแต่งกายในบางวันแล้วก็ในการทำใจกันไปตลอดก็เป็น อะไรที่คนไทยทุกคนนะคะตั้งใจที่จะทำในขณะที่วันนี้เช่นเดียวกันฉันต้องขอเอ่ยถึงเลยนะคะเพราะว่าพระภิกษุที่ดาเนินรายการอยู่กับเราคือพระมหาไพบูลอภิปุณโญท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีและท่านจเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านที่วัดนั้นในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของท่านคือเป็นวันคล้ายวันเกิด ของหลวงพ่อด็ อ, อร์สะอาดเดี๋ยวเราไปนมัสการพูดคุยกับพระอาจารย์ไพบูลเลยนะคะถึงเรื่องของหลวงพ่อดรสะอาดค่ะกราบน้อมน้มัสการกับท่านค่ะเจมพานค่ะวันนี้ที่วัดก็คงจะมีกิจกรรมเยอะเลยสิคะใช่ใช่เป็นงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อดรสะอาดนะคือท่านมีชื่อสมณศักดิ์ว่าพระครูสิทธิประภากรแล้วก็อายุ ค, ครบ68ปปีในะปีนี้ <Japan. S 2> ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอายุที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุสำหรับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบท่านบวชมากี่พรรษาแล้วนะคะโอก็ตั้งแต่เป็นเนนนะคุณโยมถือตั้งแต่เป็นเนนเพราะฉะนั้ น, 60, นชีวิตใช่หกสิบแปดปีก็ย8สิบแปดพรรษาเออสี่สิบแปดพรรษา่อไปสาธุค่ะบวชมาสี่สิบแปดพรรษานะคะและยดจงคิดว่าคงจะมีกิจกรรม สำคัญสําคัญในวันเกิดของท่านด้วยไหมคะใช่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาต่างก็จะมาแสดงมุทิตาจิตในเป็นการถวายสักการะนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่จะบอกได้สอนอันนี้ข้อที่หนึ่งเราก็ยังมีคุณในเรื่องของสังฆคุณที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มาบูชาคุณตรงนี้และในะวันเดียวกันนี้นะที่วัดป่าดอนไหนโศกก็จะมีงานก็คืองานปักหลักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยโดยปกติแล้ววัดทั่วประเทศเนี่ย ความที่จะเป็นวัดได้ที่เป็นวัดโดยทางการเนี่ยก็จะต้องได้รับการประกาศจากทางราชการเวลาทางราชการเขาจะประกาศเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปักหลักหมายเขตว่ า, าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดนะก็คือหมายความว่าพระราชาเนี่ยก็จะมอบให้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นบริเวณของวัดละโดยการทำตรงนี้ก็เรียกว่าวิเขตวิสงคมสีมานาะค่ะแล้ว การประกาศตรงนี้ก็สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้ประกาศลงไปในพระราชกิจจารยด้วยเบิกษาใน<ะ>เขตวิสุงคามสีมานี้นะพระสงฆ์ก็จะมาทำพิธีเขาเรียกว่ า, าผูกพัทธศีมานะผูกพัทธศีมาเนี่ยก็คือเป็นเขตแดนนะที่เป็นตามวินัยเลยว่าพระสงฆ์นะคุณจะบวชนะต้องบวชในเขตสีมานะซึ่งการาขั้นตอนการที่จะทำเป็นเขตสีมาได้ก็ต้องมีหลักมีลูกนิมิตอะไรอย่างที่เรา เคยได้ยินกันเนี่ยนะโดยโดยทางวินัยที่พระบรมเชากำหนดไว้เนี่ยหลักเขตพวกนี้ยจะต้องมีพิธีการในการที่จะได้มาซึ่งหลักเขตเราต้องมีพระสงค์กี่รูปต้องสวดบทไหนเป็นการปักหลักเขตขึ้นมาอ๋ออันนี้มีอยู่ในพระวินัยแล้วใช่ใช่เป็นข้อปฏิบัติเลยค่ะทีนี้อพอมีอยู่ในวินัยแล้วพระราชาก็สนับสนุนกระบวนการตรงนี้ก็โดยการพระราชทานวิสุงคามสีมา ก, ก่อนแล้วก็ ค, ค่อยถึงผูกพัทธสีมา ลงไปในบริเวณนี้ค่ะก็เท่ากับว่าที่เราได้ยินว่าผูกพัทศีมาตามงานต่างๆนั้นก็หมายถึงมีกิจกรรมเดียวกันนี้เองถูกต้องถูกต้องคือการประกาศว่าวัดนี้ได้รับการเป็นวัดที่บวชได้อะไรได้ชีสูงคามสศีมาอย่างถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องและมีสองส่วนประกอบกันคือเนื่องมาแต่พระวินัยที่พระพุทโ์ประกาศไว้ใช่ประกอบกับทางทางัใช่นะคะได้ สนับสนุนเข้ามาสนับสนุนอ๋ออันนี้ก็เป็นที่เข้าใจทั่วกันแต่เข้าใจว่าน่าจะได้มานานแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าที่วัดก็ได้ประกอบกิจใช่ที่วัดเนี่ยได้ได้ไดรับพระราชทานวิศุกธรรมสีมาตั้งนานแล้วแต่แต่ว่าเราเพิ่งระบบทเนี่ยเพิ่งจะค่อนข้างเรียบร้อยก็เลยมามาลงตัวกันวันเกิดหลวงพ่อพอดีค่ะ น, น, นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวัดของพระอาจารย์แล้วและทฉัน เ, เชื่อว่า ทุกคนก็คงจะเหมือนกันนะคะดิฉันด้วยที่อยากจะข อ, อน้อมจิตระลึกถึงคุณประสิร์รัตน์ไตรเพื่อที่จะแสดงมุธทิตาจิตถึงท่านพระครูสิทธิประภากรหรือว่าหลวงพ่อดออรสะอาดที่เราเรียกกันง่ายๆนะคะแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีในโอกาสสาคัญวันคล้ายวันเกิดของท่านณนวันนี้ด้วยค่ะวดีวค่ะทีนี้ก็มาถึงสนทนาแล้วนะคะท่านคะพรุ่งนี้คงจะมี ความตั้งใจทำดีอย่างที่ดีฉันได้พูดไปตั้งแต่แรกแล้วให้กับพระบาทสมเด็จก็เจ้าอยู่หัวทางโลกก็ทำกันไปนะคะเรียนบาลที่ฉันเห็นนอกจากใส่เสื้อก็มีสวนสนามชวนกันไปทำความดีอย่างโน้นอย่างนี้ปลูกต้นไม้อ่าทาความสะอาดแล้วแต่จะคิดได้ในความเป็นชาวพุทธเนี่ยคะ่ะท่านคะถ้าเราจะทำความดีถวายในหลวงเราทำอะไรได้บ้างโอ้ทำได้ตั้งแต่อย่างที่เขาทำกันนะคือทางกาย ทางกายก็มันเป็นประโยชน์เป็นจิตอาสาอันนี้คือการกระทําทางกายช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ก็ระดับหนึ่งระดับที่ดีขึ้นไปอีกแลก็เป็นการที่รักษาศีลคือคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างอันนี้เราก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งไม่ให้เป็นสิ่งที่เป็นอคุณเกิดขึ้นเนี่ยเอาเราก็รักษาศีลให้ดีก็ไม่ดา่าไม่ว่ากันเอาคุณไปช่วยเหลือกันก็อย่าชี้หน้าด่ากันอย่ากโกรธเกลีดให้กัน แต่ว่าให้ม <Okay. S 1> ีทางกายด้วยทางวาจาด้วย แ, แสดงออกซึ่งความรักความเมตตากันอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีก <Okay. S 1> ดีขึ้นไปอีกในเรื่องของศีลแล้วเราก็มีเรื่องของทางใจในเรื่องของทางใจก็เช่นว่าคุณนั่งสมาธิคุณเจริญเมตตาภาวนาพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องนี้ก็เคยมีนะคุณโยมอยู่ในสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นประกาศเอาไว้แล้วว่าอีก3าเดือนจะปรินิพพานอย่างเงี้ย ก็มีภิกษุเนี่ยเขาประชุมกันอย่างใหญ่เลยว่าเออเราจะทํำยังไงดีเราจะแก้ไขสถานการณ์หรือว่าทําอะไรกันยังไงแล้วก็ปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขาเดี๋ยไม่ไปร่วมพิธีการประชุมอะไรกับเหล่าภิกษุเหล่านั้นเดเพราะว่าภิกษุรูปนี้เขาตั้งใจว่าโอ้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอีกสมเดือนเอาเรายังไม่รู้ไม่เห็นธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเดี๋ยวก็เลยแยกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เนี่ไม่ไปสูงสิงกับใครแนี่ก็ถูกหมู่เพื่อนว่าแล้วยเขาก็เลยเอาความเรื่องนี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอเรียกมาไต่สวนทราบความแล้วก็ยกย่องพิสุรูปนี้ด้วยซ้ำว่าเอาถ้าใครมีความรักในเรานะให้ทําแบบพิกสุรูปนี้ในการที่จะเพียรเผากิเลสให้รู้ถึงธรรมะให้ได้อันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เคยทรงได้ตรัสตั้ไว้นะว่าถ้าใครต้องการที่จะบูชาในลักษณะที่จะ เป็นการตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็ให้ทำความดีแต่ทางไหนก็ได้ที่เราทำได้กา ร, รทำความดีในรูปแบบต่างๆนี้เป็นการที่จะตอบแทนบุญคุณได้แน่นอนค่ะแล้วการที่อาจจะมีบางคนคอยเฝ้าดูคนอื่นว่าเอ๊ะทำหรือเปล่าทำไมถึงไม่ทำอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำไหมคะอะ่ถ้าทำในลักษณะที่ว่าเป็นการเพ่งโทษนะคือมันจะมีะอยู่สองลักษณะ การที่เราชักชวนให้คนอื่นทำนี่ก็ส่วหนึ่งการเพ่งโทษนี่ก็ส่วนหนึ่งลักษณะของการเพ่งโทษเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนพาณก็ทํากันแต่คนพาณเนี่ยเขาก็จะช่วยโอกาสทุกอย่างแหละในการที่จะชี้ด่าว่าคนอื่นนั่นนี่คือลักษณะการเพ่งโทษแต่คนที่จะชักชวนคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งการที่จะชักชวนคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลก็ด้วยต้องด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้มันจะต่างกันกับลักษณะของบัณฑิตกับลักษณะของคนพาณ การเพ่งโทษไม่ดีอย่างไรคะท่านเพราะว่าเพ่งโทษเนี่ยด้วยจิตที่เป็นตะคดมากร้ายนีคือแทนที่จะมองกันด้วยสายตาแหงคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่คนเพ่งโทษเนี่ยมองด้วยสายตาแห่งคนที่รังเกียจกันมองด้วยสายตาแห่งคนที่เครือบแคลงระแวงเห็นแยง้งเอ๊ะทำไมคุณทําอย่างนี้เอ๊ะทำไมคุณไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยคือสายตามองแบบเนี้ยมันแบบเครือบแคลงเห็นแยง้งแต่ซึ่งความเครือบแคลงเห็นแย้งนี่คือวิจิกิจฉาอ๋อมันมันไม่ดีเป็นลักษณะของคนบาป วิจิกิจชาหมายความว่ามีความเคลือบแคลงเคลือกแรลงคือยังสงสัยอยู่ว่าทําไมเธอไม่ทําอันนี้ทำไมเธอทําอันนั้นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสายตาอ่าสายตาที่มองไปเนี่ยสายตาที่เขามองไปเนี่ยจะไม่ได้สายตาแห่งคนที่รักใคร่กันแล้วมันจะต่างกันค่ะออืในขณะที่ถ้าบัณฑิตนะบัณฑิตเขามองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แล้วเขาจะชักนําชักชวนอ้าวอ๋อเธอทำอันนี้อยู่เหรอเอาทำอันนี้สิอันนี้ดีเหมือนกันนะก็ชักชวนกันไปทํา อนนี้คือบัณฑิตเขาจะชักชวนกันในลักษณะนี้จะไม่ใช่เป็นการเพ่งโทษค่ะคืออันนี้เรารู้ไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่เผล อ, อไปทําในสิ่งที่เป็นการเพ่งโทษเพราะว่าเท่าที่ฟังท่านเนี่ยสรุปได้เลยว่าเป็นอาคุศนถูกไหมคะใช่ใชนะคะ เ, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความดีเนี่ยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคํานี้มํากับอยู่เสมอคุณโยมติว๋วด้วยคําที่ใช้คําว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคำว่าสิ้นเชิงเนี่ยก็คือแบบมันเรียบร้อยหมดเลยนะคือถ้าเราจะเอาในน้ําแห่งความดีฉันขอทําความชั่วนิดนึงเดีในนามแหก่การทําความดีทุกคนต้องทาความดีนะถ้าเธอไม่ทําฉันจะตีเธอเอา้าการตีกันมันไม่ดีนะคือคุณอ้างความดีแล้วก็ทําความไม่ดีนิดนึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สิ้นเชิงก็ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นหัวหน้าคิดนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจทําความดี บางทีทำบุญเนี่ยโอ้โหตวาดลูกน้องค่ะออะไรอย่างเงี้ยบางคนลูกน้องทำไม่เนียบเนี่ยอตั้งใจรักษาศีล <c oughs> นะจัดอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่พอคนทําขัดใจนิดนึงแบบใส่ ย, ยับแมมมันก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดีอยู่แต่ไม่เนียบอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ความเนียบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งของภายนอกถ้าทําได้เนียบมันก็ดีแต่อยู่ที่เรื่องจิตใจนี่สําคัญจิตใจเนี่ยสําคัญอันดับหนึ่งค่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าถ้าคนไม่รู้มุมนี้มาก่อนบางครั้งอาจจะได้บุญน้อยกว่าที่ตั้งใจ<อ>เหตุหผลเพราะว่าเนี่ยค่ะความไม่รู้แล้วดิวฉันเข้าใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะที่ท่านเคยพูดเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยสังสมนิสัยมา เ, าเป็นลักษณะของอาสวะที่สังสมมานะคะเป็นอาสวะที่สังสมมาคือมันเป็นมันเป็นนิสัยซะแล้วแล้วมันก็ตุ๊ดตัด ถ้าสติไม่ได้ฝึกมานี่ไม่ทันนะคะท่านคะใช่หลุดไปแล้วค่อยมาคิดได้แบบโอ้โมันไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นในในงานประเภทนี้เนะี่ยที่เขามีการจัดอะไรกันเนี่ยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตาก่อนเลยนะการที่ตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตาก่อนเนี่ยมองไปทางไหนก็เหมือนพี่น้องกันมองไปทางไหนก็ให้มีความรักความสามัคคีกัน่เนหะ็นคนเขาทาผิดตรงนั้นตรงนี้อย่าน้อยจิตใจเราอย่างเย็นได้นะ่ยมันเป็นงานบุญนี่มันเป็นงานบุญเราก็ตั้งใจไว้ให้ดี อาจจะไม่ได้ตรงตามสเปกหรอกแต่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ละ่ะอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือถ้าไม่ดีก็แก้ไขใจเย็นๆใช่แต่อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปวิทวัสใสใครอ่านั่นจะเป็นบาปพอท่านพูดถึงความเมตตานะคะอะดังนั้นก็เข้าใจว่าเป็นคุณธรรมระดับสูงทีเดียวอ่ออยากทราบว่าถ้าเราเนี่ยทําใจว่าให้มีเมตตาเพื่อที่จะได้ให้กุศลนี้ ไปถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะแล้วก็ต้องทำอย่างไรการที่จิตจะมีเมตตาในในการควาว่าเมตตาก่อนนะคือหมายถึงกระแสแห่งความรักอย่างเช่นว่ามารดารักลูกอย่างเงี้ย ค, นะความรักตรงเนี้ยเป็นลนักษณะของความเมตตานะเป็นเมตตาชนิดที่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณภาษาอังกฤษก็เรียกว่า unconditional love นะซึ่ง u n c o n d i t i o n a เนี่ยคือไม่ใช่ว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรนะเช่นสาหรับ ผู้ชายผู้หญิงบางทีผู้ชายรักผู้หญิงก็อยากให้ผู้หญิงรักตอบอันนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าเธอต้องรักฉันตอบนะหรือว่าเธอจะต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉันแต่แต่ไ<ม>อความรักความเมตตาลักษณะความความเมตตานี่ก็คืออย่างไม่มีเงื่อนไขนห้ได้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เราจะส่งกระแสนี้ออกไปเราก็ต้องด้วยจิตที่มีกําลังในะด้วยจิตที่มีพลังเพราะฉะนั้นจิตจะมีกําลังมีพลังได้ก็ต้องจิตที่เป็นสมาธินะจิตจะเป็นสมาธิได้คุณก็ต้องตั้งสติเอาไว้ พอคุณตั้งสติเอาไว้จิตเป็นสมาธิแล้วลกําหนดจิตให้ลักษณะที่มีความรักอย่างไม่มีประวาตินี้แล้วก็แผ่ไปสู่สรรพสัตว์ได้ทั่วที่ต่างในะมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นนี้ก็ได้อันนี้ส่งมากมายแค่ไหนคะโอ้มีอันนี้ส่งมากสิบอ็ดอย่างในะที่ลิสเป็นข้ อ, ข, อข้อเนี่ยเช่ 1> น1ก็จะเป็นที่รักของมนุษย์นะสองจะเป็นที่รักของอนมนุษย์เวลาน อ, นอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็ตื่นเป็นสุขแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพัรร์ผุดผ่องด้วย ท่านคะออ่คือฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นอนิสงฆ์เนี่ยได้กับตัวผููที่มีเมตตาอแต่ในกรณีที่ดิฉันเพิ่งดูโทรทัศน์เป็นคุณพ่อที่เป็นด็อกเตอร์นะคะแล้วก็มีลูกเด็กๆอายุประมาณสองขวบเองมีเคราะห์ที่ว่ามีโรคร้ายเป็นมะเร็งที่สมองหรือไงเนี่ยนะคะก็ดูคร่าวๆแล้วก็ที่เข้ามาออกทีวีเพราะว่า เป็นเรื่องของการที่คุณพ่อเข้าประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ออกไปแล้วก็มีคนแสดงจิตเมตตาเขาบอกว่าปาฏิหาริเกิดกับลูกหรือ แ, แค่ต่างคนช่วยกันทําเมตตาเนี่ยปาฏิหาริเกิดกับลูกหลายครั้งในทางที่ดีนะคะนี่ฉันก็เลยอยากรู้ว่าเมตตาเนี่ยนอกจากอา น, นิสงส์ที่ดูเหมือนกันได้กับตัวเองแล้วส่งไปให้คนอื่นได้จริงๆนะคะคือพอมีความเมตตาเกิดขึ้ น, น, นในจิตของเรานะ สมมติว่าจะมามีเมตตาในจิตแล้วก็แผ่ควรัศมีของความเมตตาเนี่ยให้คุณโยมติ๋วอย่างนี้แตนะ่คุณโยมติ๋วที่ได้รับกระแสงความรักความเมตตาเนี่ยจิตจะน้อมไปในทางกุศลนะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้ภิกษุสองรูปที่พระพุองค์ไล่หนีไปนแผ่เมตตาให้ภิกษุสองรูปที่พระองค์ไล่หนีไปให้เข้ามาฟังธรรมจิตเขาก็น้อมมาในการที่จะเออเราไปขอโทษพระพุทธเจ้าดีกว่านะจิตเขาน้อมมาในทางกุศลเขาก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้า นะพอจิตของเราได้รับกระแสความรักความเมตตาแล้วเนี่ยจิตมันก็จะน้อมไปนในทางที่เป็นกุศลพอจิตน้อมไปนในทางที่เป็นกุศลมีปีติมีสุขเกิดขึ้นไออาการเจ็บไข้เนี่ยมันก็หายได้โดยควรแก่ฐานะนะมัน <ừ> มันจะต่างกันนะคําว่าหายได้โดยควรแก่ฐานะคือถ้ามันเป็นฐานะที่มันพอจะหายได้มันก็จะหายให้ได้นะ ค, คือคือคือกำลังเปรียยเที่จะถึงว่าอย่างกรณีของตัวอย่างที่คุณยมติวพูดยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่นะแต่ว่าน้องคนนั้นเขาเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง <น> <Okay. S 1> พอเขาได้รับกระแสงความรักความเมตตาจิตใจเขาตั้งอยู่ในกุศลมากขึ้นมีปิติมีสุขได้แ ล, แล้วก็ลักษณะของพระกิริมาณ น, น์เนี่ยที่พอได้ฟังธรรมมที่ท่านพระอานุ์มาบอกให้ฟังเนี่ยที่เป็นคํำของพระพุทธเจ้าเนี่ย <Okay. S 1> ก็จิตพอมีปิติมีสุขแล้วก็หายจากโรคโดยควรแก่ฐานะได้นะอันนี้ <Okay. S 1> คือพูดถึงคนที่มันจะหายได้แต่มันจะมีโรคบางอย่างคือบางทีชีวิตมันจบแค่เนี้ไม่งั้นก็จะไม่มีคนตายในโลกอ่ะถ้าถ้าทุกคนสามารถทําอย่างนี้ได้ใช่ไหม เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดตรงนี้ว่าโดยควรแก่ฐานะเนี่ยมันจะหายได้ค่ะก็คือว่ามีผลแหละแต่ว่าในส่วนของในส่วนของมีผลก็มีผลนะคะไม่ได้ลดถอนผลถูกไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าในส่วนของธรรมชาติที่มันเกินที่จะช่วยเหลือก็ต้องปล่อยไปเป็นธรรมชาติใช่ใชแต่ความเมตตานั้นส่งผลของเขาอย่างเต็มที่แล้วอ่าทีนี้ร่างกายมันก็เป็นไปตามเห ต, ตุตามปัจจัยแต่ว่าจิตใจเนี่ยจะมี ใจิตใจที่น้อมไปในทางกุศลถึงแม้กายจะแตกแต่ใจิตใจที่มีความเป็นกุศลอยู่ในใจนี้ก็จะพาให้เขาไปสู่ที่ที่เป็นสุคติได้แน่นอนค่ะท่านท่านคะทีนี้อหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวนี่ต้องถือว่าเป็นสุดยอดของแผ่นดิน<ช>นะคะแล้วก็อสําสหรับสังคมไทยเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของความสมัครยีปลองดองกันอยู่มากในระยะนี้อืหากใช้การเจริญเมตตาถวายให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่จะทําให้ ความปรองดองความสามัคคีเกิดได้อย่างสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราจะแก้ที่ลูกอย่างนี้ไป็นต้นนะก็ต้องแก้ที่พ่อแม่ถ้าจะแก้ที่พ่อก็ต้องแก้ที่แม่ถ้าแก้ที่แม่ก็ต้องแก้ที่พ่อมันมันก็ต้องสลับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ที่ประเทศชาตินะก็ต้องแก้ที่ระบบโดยรวมนะตั้งแต่หัวลงมาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พระบรมรงสานุวงลงมาถึง ราชการต่างๆลงมาถึงชาวบ้านพวกนี้ก็จะไล่มาเป็นตามลําดับองั้นสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบรายการไปอยากให้ท่านแนะนําเลยค่ะเราก็มาทําในสิ่งที่ไม่ต้องใช้สตุ้งตังอะไรในเบื้องต้นถูกไหมคะใช่อ่าทําเริ่มจากจิตใจของตัวเราเองก่อนในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาใช้คําว่าเจริญถูกต้องไหมคะถูกต้องการเจริญเมตตาภาวนานอนเช้ามา่สอนเลยค่ะตื่นเช้ามาให้ใจลึกๆซะก่อนตั้งสติเอาไว้ นะเนีพราตั้งสติเอาไว้ให้อยู่ในลมหายใจเนะี่บางคนใช้อนาปานสติก็ตั้งจิตของเราไว้ที่นี่แตีนะ่ยพอเรากําหนดจิตตั้งจิตขึ้นได้แล้วตอนนั้นเป็นสมาธิแลนะด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเนะี่ความเมตตก็คือความรักที่ไม่มีประมาณความที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเนะี่แพร่ไปสู่สัตว์โลกเนะทั้งทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่าง นะเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันสู่สัตว์ทั้งปวงในทั่วทุกที่ทุกทางนะแพรจิตไปอย่างนี้นะเรากําหนดจิตไปอย่างเงี้ยนี่คือการเจ ร, เริญเมตตาหลักหลักษณะนี้ค่ะก็ทําดูเหมือนไม่ยากนะคะทําจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้สติไปอยู่กับลมหายใจใช่แล้วก็ทําได้ตลอดเวลาด้วยนะเราขับขรถหรือว่าเดินทางอยู่ก็สามารถทําได้ค่ะและแพรไปอย่าง ทำจิตให้มีเมตตาอย่างไม่มีประมาณไม่มีข้อแม้ใช่แผ่ไปทั่วทุกทิศทางเสมอหน้ากันใช่อันนั้นหมายความว่าบางทีบางคนเวลาแผ่เมตตาใ่มีนะคะพ่อแม่ดับหนึ่งสามีพัญญาอันดับรองลงมามคือคิดว่าเมตตาอย่างมากในให้พ่อแม่เมตตาอย่างรองเนี่ยไอสรรพสัตว์ทั้งหลายอื่นๆเนี่ยรับน้อยลงไปโดยลําดับที่ไล่เรียงอย่างนี้ได้ไหมคะเอาก็อยู่ที่กําลังจิตของเขา ยู่ที่กำลังจิตของเขาคือถ้าสมมุติว่าคุณสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอมันก็ไปได้อย่างสม่ําเสมอนั่นแหละค่ะคือก็แปลว่าไม่เสมอหน้ากันนะคะมีเมตตาแบบลําเอียงก็แสดงว่าจิตเขาไม่ยังมีประมาณอยู่แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็อยู่ที่กําลังจิตของเขาตรงนั้นก็สุดแท้เพียงแต่ว่าแตกต่างกับผลของการที่เสมอหน้ากันไม่มีประมาณกับ่าการเลือกปฏิบัตินี่คะอมันก็ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง Ừ, ความสิ้นเชิงตรงนี้คือสมมุติเราแผ่เมตตาแล้วเออไอ้ น, นี่มันไม่ดีเว้นมันไว้สักคนหนึ่งแตนะ่ไม่ให้มันหรอกเมตตาเนี่ยมันก็มีความตระหนี่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราจะทําให้อย่างไม่มีประมาณเนี่ยคุณธรรมเราก็จะสูงขึ้นความบริสุทธิ์บริบรูรณ์ของเราก็จะมีมากขึ้นนั่นึงกลับดีซะ อ, อีกใช่ในการที่ไม่กักนะคะวอกอย่างนี้แล้วก็ให้แม้แต่คนที่เราไม่ชอบด้วยให้เขาไปเลยในความเมตตานี้ ท่านคะสุดท้ายอยีกหนึ่งคำถามสมมุติว่าในสังคมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะสังคมใดอินเดียอาจจะมีชั้นวันนะบ้านเราไม่มีชั้นวันนะแต่ก็จะมีคนระดับสูงระดับที่ออยู่ในฐานะที่รองรองลงมาอืหากไม่ถือตัวกับคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ํากว่าเราอืมอออันนี้ถือว่าเป็นเมตตาไหมาแล้วก็จริงๆแล้วเราควรถือตัวหรือบ้างหรือไม่อันนี้เป็นลักษณะของมานะคือความ ความเป็นตัวตนความถือตัวแต่นะ<ช>ถ้าคุณมีมานะน้อยไอ้ความถือตัวไม่ว่าคุณจะอยู่วันณะสูงหรือวันน้ต่ํามันก็จะมันก็จะลดลงนะไอ้มานะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่อยู่ลึกนะคุณโยมถือเป็นสังโยคคือเครื่องร้ายรัดเบื้องสูงเนะที่รัดแน่นนะเป็นอันสุดท้ายที่พระอรันท่า น, นถึงจะสามารถลาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันติดไว้ก่อนเลยนะคะในเมื่อท่านบอกว่าสําคัญมากอยู่ลึกมากแล้วเป็นสิ่งที่สูงเนี่ย มาะจะเป็นเรื่องที่ยกไปคุยในโอกาสต่อๆไปได้ๆวันนี้จะต้องไปณะลคะค่ะท่านคะเยี่ยบานก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาให้วิธีปฏิบัติของพวกเราตามคำสอนของพระาศาสดาเพื่อถวายแด่ในหลวงของพวกเราทุกๆคนในโอกาสสำคัญเฉลิมพระชนภรรษาปีนี้นะคะก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเพบุญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเบาค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะ วันนี้วันที่สี่ันวาคมนะครับที่อุดอรเนี่ยสายๆในที่นั้นก็เชื่อว่าต้องคลาคล่ำกันไปด้วยสิทธยานุสิทธิ์ของพระครูสิทธิประภากรหรือว่ า, ห, วาหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดไปฉลองโอกาสครบรอ บ, รอบวันเกิดที่หกสิบแปดของท่านซึ่งเป็นพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้บวชในศาสนาของพระศาสดา มาเป็นเวลานับ4ี่สิบปดปีนะคะเกือบ5้าสิปีแล้วแล้วก็มีโอกาสในการที่จะปักเสาวิสุงคามศีมาคือแสดงความเป็นสถานที่ที่มีสีมาสามารถที่จะให้พระบวชได้ในนั้นแล้วก็เป็นการที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานให้กับวัดต่างๆตามพระวินัยที่พระาศาสดา บัญญัติไว้ก็กลับเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะคะเนื่องจากวัดนี้วัดป่าดอนไฮโซเป็นวัดที่พระอาจารย์จากที่นั่นคือพระมหา ภ, ภ, ภัยบุญอภิปุโนก็ได้เมตตามาให้ธรรมะพวกเรากันอย่างสม่าเสมอส่วนผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคอร์สลกเรน์ให้เป็นประจาในทุกๆเดือนและแถมยังในหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเนี่ยนะคะก็จะมี คอร์สที่เป็นภาษาอังกฤษใครที่ฟังภาษาอังกฤษถนัดกว่าก็สามารถที่จะไปฝึกปฏิบัติได้ที่นั่นตามคําสอนของพระศ า, าสดานะคะเพราะว่าท่านไพบูลเนี่ยจะใช้พระสูตรเป็นตัวกํากัดในการปฏิบัติตลอดเวลาวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในรายการสันสนีสนทนาดําเนินรายการโดยสั น, สนีนาคพง์สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ พูท้ทัวร์สวัสดีค่ะ